ปัญหาวาแล้กคสร้างคนคปัญญามากภาวนาเนีก็คุงสร้างนะ <Okay. S 1> คือการปฏิบัติเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจ ก, ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตนะิการสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยมากนะก็คือการทำสมาธิส่วนเรื่องการเจริญสติให้เราไม่คุ้นเคย เพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมีมาตลอดไม่เคยเว้นในสารวัตรที่ยาวนานเราจะคุ้นเคยนานๆนนถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาสอนเรื่องการเจริญสติปัฐานเพราะฉะนั้นบางครั้งขั้งแสนกับไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งที่พวกเราฝึกฝนคุ้นเคยมากมันเป็นกลายเป็นเรื่องสมาธิแม้แต่เราจะทาสตินะ เราลงมือทำสทักพักเดียวกลาเป็นการเพ่งลกลายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนั่งให้สบายนะธรรมะมันคืยุ่งล่ะนั่งนั่งให้สบายสบายเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสมถะอะไรเป็นพิปัสนานการเจริญสติเนี่ยท่านแยกไว้สองกลุ่มสองจริต นะส ม, มถะเนี่ยท่านแยกไว้หกจริตอี่าราคะจริตโทตาจริตโมหจริ ต, รตนะวิตกจริตพุทธิจริตศัทนะธาจริตมีหกอันอันนั้นสําหรับเลือกเลือกที่จะทําสมถะว่าส ม, มถะอะไรเหมาะกับเรานะแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตเท่านั้นแตนะท่านเรียกว่าตัณหาจริตคืออย่างเรารักความสุขรักความสบายรักความสวยความงาม นี่คือปัญหารจริตนะท่านสอนว่าพวกที่เป็นปัญหารจริตนี่เหมาะกับการเจริญกายานุปัสสนาในเวทนานุปัสสนาก็ราะมันจัดการโดยตรงกับปัญหารจริตนะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพิถีจริตพวกชอบคิดส่วนใหญ่พวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นพิถีจริตชอบคิดนะท่านบอกว่าเหมาะกับจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียด เหมาะกับพวกชอบจิตนี่ท่านงสอนตอบอีบอกว่าถ้าจะทํากายเวทนาให้ได้ผลดีต้องทําสมถะก่อ น, นมันเหมาะกับสมถะญาณิงั้นเราต้องทําฌานทำอะไรพวกนี้ให้ได้แต่ถ้าคนไหนทําฌานไม่ได้ทํายังไงก็จิตไม่รวมเนี้ยต้องเดินมีปัสนาเอาคือใชอ้อีกสายหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสนาญาณ้ วิปัสนายอย่างนี้เนี่ยใช้กับพวกดูจิตแล้วก็ธรรมานุปัสนาบางทีคุูบาอาจารย์บางท่ า, าน ท, าท่าจะสอนกับกันแต่ว่าในตำหนักตำราทั้งหลายเนี่ยใช้ยันตรงกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยเนะตั้งแต่พราเตกิตรปล่อลงมาในอัตถัตฐานเนี่ยจะบอกไว้ชัดว่าถ้าเราทำฌานไม่ได้เราต้องดูจิตเอากิเลสเกิดขึ้นต้องรู้เอาเลยแต่ ครูบาอาจารย์พระป่าสังเกตไหมสมัยท่านเล่นกายกันก่อนท่านจะเล่นกายนี่ท่านเล่นฌานมากอ่อนทําสมาธิจนนานเต่ลงปู่เทพนี่เทศสมาธิอยู่สิบสองถสามปีทําสมาธิยังชนานาญมากนี่ถ้าพวกเราไม่ชานานเรื่องสมาธิไม่เล่นกายไม่ลุดยากแทนที่เราจะมีสติระลึกลู่กายเราจะไปหลงเท่งกายการเท่งเป็นเรื่องของสมถะ การระลึกรู้สักแต่ว่ารู้เป็นเรื่องของอีปัสนาสองอย่างเนี่ยจิตใจไม่เหมือนกันนะเราต้องหัดทำความเข้าใจให้ได้ว่าขณะนี้เราเท่งอยู่หรือเปล่านะส่วนใหญ่พวกเราเข้าวัดเนี่ยเราจะนั่งเท่งอ่ะทำไมเท่งล่ะลงมือปฏิบัติทีไรก็เท่งทุกทีเพราะเราเคยชินมาตลอดในสังสารวัตรนะไอ้ที่เราจะระลึกรู้สักแต่ระลึกรู้เนี่ยเราทาไม่เก่น ใจของเราจะถลําลงไปเกาะอารมณ์นะถ้าใจลงไปเกาะอารมณ์อันเดียวได้เป็นนิ่งไปสงบเราก็พอใจแล้วบอกวันนี้ปฏิบัติดีวันไหนจิตไม่รวมนะจิตไม่สงบเราว่าวันนี้ไม่ดีก็ไม่สงบแต่ถ้าเป็นนิพพานาจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะทํ า, านิพพานนี่จิตสงบเรารู้ว่าสงบรู้ทันนะไม่หลงลงไปไม่ถลําไม่เคลิมต้องไม่เคลิ้มเด็ดขาด ทำสมาธิเคลิ้มไม่ได้เคลิมไม่ใช่สมาธิพุทธนะกระทั่งเข้าอาัฒนานสมาธิก็เข้าที่ความรู้สึกไม่ใช่ศูนย์ซึ่งความรู้สึกตัวแปนะ้มันจะเป็นพรมลูกพลักไม่ใช่สมาธิพุทธนะนี้เราลองมาหัดทําความเข้าใจเรื่องการเพ่งก่อนนะเพราะเราแต่ละคนนี้เพ่งชานาญทุกคนนะอลองเราลองดูกระพุทธลูกนะทำความแปนงทั้งนี้ไม่ต้องดูเดี๋ยวคลอกเล็ท ยทางด้านนี้ลองดูรั่ท่านใจดูพระพุทธรูปนะสังเกตไหมว่าขนาดเนี้ยใจของเราไปอยู่ที่พระพอจะสังเกตออกไหมใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนไปอยู่ที่พระแล้ ว, ลวอ่าวับพอเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าการเพ่งนะ าการเพ่งนี้ให้ความสงบเท่านั้นจะไม่เกิดปัญญานะเอาลองวันมาใหม่กลับมาอยู่กับตัวเองมารู้สึกตัวนะเอาหัวไม่มือม า, เ, อาเพ่งใส่หัวไม่มือตัวเองต้องซ้อมนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าใจลนะ้วเพ่งเลยอลอ ง, ง, ล, ล, องลองเลยเพ่งเลยเพ่งหัวในไม่มือตัวเองนะ เอาแล้วทั้งแปดท่านเลยจิตไปอยู่ที่ห่วงแม่มือแนละ้วดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือเนี่ยเห็นเกียรออกไหมนะอันนี้คือสมถะนะอพอละพอละนะถ้าเมื่อไร่เราลงมือปฏิบัติทมแล้วจิตเราเป็นแบบนี้ต้องทราบเลยว่านั่นสมถะละนะจะเพ่งลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เทา้า จะดูท้องพองท้องยกบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องมีแต่เรื่องที่จิตไหลไปไหลไปคำว่าจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปนั้นสแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตไม่มีสัมมาสมาธิแต่มีมิจฉาสมาธิสมาธิออกนอกเห็นไหมสมาธิไปอยู่ที่พระสมาธิไปอยู่ที่นิ้วอ่านหนังสือสมาธิอยู่ที่หนังสือขับรถสมาธิอยู่ที่ถนน สิ่งเหล่านั้นใช้สําหรับดํารงชีวิตแต่สัมมาสมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสสนาเจริญสติคือความรู้สึกตัวใจไม่ถลําลงไปไม่หลงลงไปเวลาเรารู้อารมณ์เนี่ยใจจะต้องไม่ถลําลงไปที่อารมณ์การถลําลงไปของใจเนี่ยถลําไปได้หกช่องทางถลําไปทางตาอย่างเมื่อกี้เราถลําไปที่พระพุทธรูปเนี่ยเราส่งใจออกไปทางตา เราเพ่งหัวไม่มือเนี้ยเราส่งใจไปทางตาเหมือนกันแต่เวลาเรานั่งคิดเราส่งใจไปทางใจทางความคิดเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่เอาสติที่ออกทางสวารใดๆทั้งสิน้นแต่มีหน้าที่รู้ทันตอนนี้จิตหนีไปทางสวารไหนรู้ทันมัน อย่างตนนี้จิตนีไปทางความคิดใช่ไหมหนีไปในโลกของความคิดนะไปปรุงแตง่งไปสร้างภพสร้างชาติไปเกาะอารมณ์ที่ดีก็เป็นภพที่ดีไปเกาะอารมณ์ร้ายก็เป็นภพที่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยภพชาติเนี่ยหมุนเวียนเกิดที่ในใจเราตลอดเวลาด้วยการที่จิตเนี่ยส่งออกนอกบางทีก็ส่งเข้าข้างในนะแต่ถือว่าออกถือว่าส่งออกทางนั้นนะนะออกนอกออกในก็คือออกไปจากความรู้สึกตัวออกไปจากความตั้งมั่น ใจเราไม่ตั้งมั่นอย่างขนาดที่เราตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดตามสังเกตไหมกระบวนการที่เราทำงานตอนนี้ก็คือฟังฟังแล้วเราคิดตามวิธีฟังหาความรู้ในทางโลกก็ต้องหาอย่างนี้การฟังอรตมาตอนนี้เป็นฟังในเชิงปริยัติก็ต้องฟังแบบนี้คือฟังแล้วคิดไปคิดไปแต่ถ้าจะฟังธรรมะในเชิงปฏิบัติ เราจะรู้ว่าเสียงกระทบหูแล้วใจเราคิดตามเรารู้ว่าใจของเราหนีไปอยู่ในความคิดรู้ทันจิตตัวเองที่มันหนีไปอยู่ในโลกของความคิดนะถ้าเรารู้ทันจิตใจของตนเองได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มได้แก่นสารของการปฏิบัตินะลำพังการนั่งทำสมาธิการนั่งเพ่งยังไม่ใช่แก่นสารของการปฏิบัติโลกงูเทศรู้จักท่านมนะ รุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ต้องรู้จักหลวงปูธเทศหลวงปูธเทศสอนบอกว่าคิดพิจารณากายว่าต ก, กปลกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะซึ่งเราชอบอนึกว่าวิปัสสนาหลวงปูธเทศบอกนั่นคือสมถะเพื่อแก้กรรมมนฉันทานิวรณคิดเรื่องกายไม่เน่าเปื่อยตกปลกนี่เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนา คิดว่าอีกหน่อยเราก็ตายเขาก็ตายคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะทามรณะสติคิดถึงความตายทั้งวันเลยก็เพื่อแก้อา ก, การของจิตอย่างใจของเราอาฆาตคนมากก็คิดว่าอีกหน่อยก็ตายอ่างนะี้ก็หายอาฆาตการแก้นั้นก็คือการทำสมถารสมถาเนี่ยจะแก้จิตที่ไม่ดีให้มันดีให้มันสงบนะการคิดว่าร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุธาตุสี่นน้าไพลม เป็นขันเป็นรูปประขันการพิจารณาการคิดถึงทาสี่ขันห้าหลวงปู่เทศก็ยืนยันอีกว่าเป็นสมถะแล้ท่านสอนบอกว่าประโยคน์สุดท้ายท่านจบท้ายท่านบอกว่าเมื่อใดผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจตนเองถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองเนงี่ยมีคําว่าจิตกับใจ ในนิยามของท่านเนี่ยจิตคือตัวที่มันวิ่งไปส่งใอารมณ์อย่างเมื่อกี้ถ้าเรารู้ว่าจิตของเราไปอยู่ที่พระนี่เรียกว่าเราเข้าไปรู้ทันจิตของเราแล้วนะทันทีที่รู้ทันแล้วใจเราตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้ท่านเรียกว่าใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จิตใจ ต, ตั้งมั่นแต่ถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปทางทวารทั้งหกนะแล้วลืมไปเลยไม่รู้เท่าทานันอันนี้เรียกหลงใช้ไม่ได้เลย แต่ถ้าเคลื่อนไปทางตาเรารู้ทันเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปในโลกของความคิดเรารู้ทันนี่ท่านเรียกว่าจิตท่านบอกถ้าใครสามารถเห็นจิตเห็นใจตนเองอย่างนี้ได้จึงจะเริ่มได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าเราไม่สามารถจะเห็นเข้ามาจนถึงจิตถึงใจตนเองแล้วเรายังไม่ได้แก่นสารเราได้ผิวผิวของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทําความสงบหลวงปูง่เทศเป็นท้าที่เชื่อการเรื่องความสงบมาก เพราะว่าท่านติดสมถะอยู่สิบกว่าปีท่านถึงสรุปออกมาได้อย่างห้าวหาญมากเลยว่าคิดพิดจารณาทีไรนั้นเป็นสมถะทําให้สงบเท่านั้นแหละต่อเมื่อไรรู้ทันจิตใจตนเองจิตหนีไปทางตาหูจมูกลินก้นใจหนีไปในโลกของความคิดรู้ทันมันพอรู้ทันมันมันก็ไม่หนีมันก็หยุดอยู่ที่ความรู้สึกตัวท่านเรียกว่าใจ อยู่กับความรู้สึกเป็นกลางๆนะแล้วท่านก็สรุปบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทําไมเข้ามาอยู่ที่ความเป็นกลางแล้วพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากจิตนี้แหละทะยานออกไปยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ่ถ้าเรารู้ทันแล้ว เ, เขาจะไม่ทยานนะแต่ไม่ได้ไปนั่งห้ามนั่งบังคับนะเราแค่รู้ทันนะ อันนี้เรียนปฏิยัติอย่างนี้ต่อไป น, นี้จะเรียนปฏิบัติแล้วเนี่นปฏิบัติเราเรียนยังไ <S <S งก็เรียนรู้ทันจิตรู้ทันใจตนเองนั่นึ่งนี้บางท่านก็ยังลังเลใจแล้วทำไมฟังครูบาอาจารย์มากมายสอนให้รู้เรื่องกายทำไมจะมาพูดเรื่องจิตเรื่องใจจะขัดแย้งกันไหมควาจริงเราไม่ได้ขัดแยงนะ้งกัน หลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่ารู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตก็เพื่อจะรู้จิตอันนี้ถ้าท่านไหนมีเอ็มพีสามของหลวงปู่สุวัตนะจะมีเทศอยู่กันหนึ่งเรื่องสตินิเทศที่เมืองนอกท่านจะเล่าให้ฟังท่านจะเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมารู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ให้รู้กายไม่ใช่ต้องรู้อันใดหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าทางมีทางเดียวแล้วก็ท่านก็บอกหลวงปู่ม่านสอนบอกรู้กายเพื่อจะมารู้ทันใจตัวเองนันีอจิตใจของเราเนี้แหละเป็นคนทุกข์จิตใจนี้แหละเป็นคนคนทุกข์ไม่ใช่กายคนทุกข์ไม่ใช่กายเป็นทุกข์อย่างนั้นนี้ถ้าบางคนยินรีแก่กล้ามไม่พอก็ไปเริ่มที่กายก่อนกลายเป็นบ้านของจิตทำไมเริ่มที่กายกลายเป็นบ้านของจิต อยางอยากเห็นพี่แหม่มไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปเฝ้าหน้าบ้านไปเฝ้าหน้าบ้านเล้วเดี๋ยวก็เจอเขาเราอยากรู้จัดจิตของเราเรามาเฝ้าอยู่ที่กายเดี๋ยวเขาเจอจิตใช่ไหมมันเจอได้ยังไงอยา่งางสมุนรนั่งนั่งให้สบายนะนั่งนั่งสักพักหนึ่งเริ่มเมื่อยนะนะเมื่อยเป็นเวทนาเมื่อยไม่ใช่กายแล้วนะเวทนานี้เป็นนามธรรมนะเริ่มเข้ามาใกล้จิตแนละ้วพอเมื่อยมากๆชักจะ ง, งุ่ดหงิด หนะงุดหงิดนี่เป็นจิตตานุปัสนานะนะจิตใจเกิดโทสะหงุดหงิดนะเราเห็นความหงุดหงิดที่จิตใจของเรานะนี่ขยบเข้ามาใกล้จิตขึ้นดูต่อมาเราเห็นอีกว่าพอความหงุดหงิดเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนวิญญาณหมดนะความอยากเนี่ยอยู่ในอริยสัจเป็นปัญหานะอันนี้เราเข้ามาเห็นตัวความอยากได้นี่เรียกว่าเราก็ามาถึงธรรมานุปสนานะ เพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมนี่ไม่ใช่เราต้องไปตรึงไว้อันใดนหนึ่งหรอกจิตไปรู้อะไรก็รู้ว่านั้นแหละสติเราลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราระลึกรู้ได้ทั้งนั้นแหละนั่งอยู่เมื่อทราบไหมเมื่อเราอยากเปลี่ยนอยิราบททราบไหมเมื่อเราหมุนหมิดทราบไหมทราบทั้งนั้นนะเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่ายากเรียนอะไรนี่การที่เราทราบว่าใจของเราวิ่งไปยึดอารมณ์ แล้วความทุกข์เกิดขึ้นมานี่คือการเห็นอริยสัจการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้ามาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ถ้าเราปฏิบัติออกไปจากเรื่องอริยสัจเราไม่เข้าใจธรรมะจิตของเราเนี่ยจะหลงไปเกาะอารมณ์เป็นระยะระยะนะเพราะงั้นท่านจะมีศัพท์อยู่กลุ่มหนึ่งเรื่องมนุษย์ชนิดต่างๆเข้าใจยินไหม ม น, มนุษย์สเตโวเป็นมนุษย์เทวดายามใดจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานเรียกมนุษย์สเตโวยามใดจิตใจมีความโลภเป็นมนุษย์เปโตมนุษย์เกตยามใดเป็นทุกข์หงุดหงิดถัดท้องใจเป็นมนุษย์นรกมนุษย์นิรโย ยำใดนั่งเมา่นั่งเผลอนั่งใจลอยเป็นมนุษย์เดริชานมนุษย์ตีริานโนทําไมเราเสวยพบภูมิต่างๆทั้งๆที่กายเราเป็นมนุษย์แล้วเสวยเป็นขนาดขนาตอนนี้ใครทราบบ้างว่าตนเองกําลังเสวยพบอะไรสังเกตออกไหมมีความสุขมีความเบิกบานเป็นพพเทวดานั่งเมือนั่งเผลอเป็นพบสัตว์ พบสตว์ในรายการงูงิดนี่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือว่าเป็นพบนรกพบอสุรกยายพวกนี้เป็นพวกตัวสักว์อยากโน่นอยากนี่มีความโลภขึ้นมาเป็นมนุษย์เปรตเพราะงั้นเราสังเกตใจของเรานะเข้าสังเกตนะเราเป็นตัวอะไรมากๆแล้วต า, า, า, ายไปเราก็เป็นตัวนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราทําอากีินกรรม เราทํากรรมที่ซ้าซ้ำซ้ำซ้ ำ, ซำ <Yeah. S 1> นะงั้นที่สําคัญที่สุดเล ย, ยใจลอยอันตรายสุดขีดใจลอยใจลอยเมอเ่อเผลอเป็นภพสงสารในลายฉานเราอย่าไปทําอาจีนกรรมใจลอยนะ <c oughs> เอาอาจีนกรรมเบิกบานไว้รู้เนื้อรู้ตัวไว้ <c oughs> เป็นมนุษย์มนุษย์ <Yeah. S 1> เนี่ยมนุษย์รู้สึกตัวเห็น <c oughs> ไหม สังเกตไหมพอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกชัดเจนแจ่มใสมันตื่นนะจิตเวลาหลงไปในโลกของความคิดมันหลับเหมือนฝันไปนะฝันไปแล้วคราวนี้ก็แล้วแต่แล้วฝันเรื่องดีเรื่องโลภ ก, ก็เป็นเปรดฝันเรื่องไม่ดีก็ลงนรกเนะเรากําลังจองจองบ้านจาัดสรรไว้นะสังเกตตัวเราเองนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเราจะไปภูมิไหน มีโอกาสสูงถ้าเราสะสมอาชินกรรมใจลอยทั้งวันเลยเตรียมตัวนะไปเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรเงั้ยนะแล้วแต่กรรมย่อยๆจะจาแนนหมกมุ่นในกรรมแล้วก็ใจลอยไปเป็นหมาอะไรเงี้ยนะหัวงข้าวห่วงของไปเตรียมไปเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรเงั้นไป ให้เร า, คาเคยสังเกต น, นะในขณะจิตเนี้ยเราเป็นตัวอะไรรู้ให้ทันเป็นมนุษย์จริงๆริงไหมหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตสุรกายเป็นสาาัตว์ในไรฉานเป็นสรรัตว์นรกในนี้ไม่มีสัตว์นรกขณะจิตนี้นะถ <c oughs> ต่ใครเราเอากระดาษไว้อันนะแล้วเขียนไว้ลเลยเขียนภูมิเหล่านี้ไว้นแะและ้ว นึกได้นะนึกได้เรารู้เราพ ล, ล, ลิกเว้เลยเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเตรียมจองอะไรไปแล้วนะไม่ต้องไปางไงถามใคร <laughs> นะเป็นการเล่นเกมที่ไม่รู้สนุกหรือว่าโหดนะเรักเมียกับเมตตาเนี่มยมันต่างกันถ้าเมตตาเป็นกุศลนะถ้ารักนี่หวงแหนผูกพัน ส่วนใหญ่จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นราคะมากกว่าเมตตาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่มันมันมีกรรมอยู่เราพูดเรื่องกรรมนิดหนึ่งก็แล้วกันกรรมเนี่ยมันมีสี่ตัวนะตัวที่หนึ่งเรียกว่าทะลุกรรมกรรมหนักหนัก อย่างถ้าเราบารรลุมรคผลได้เนี่ยกำหนักตัวนี้ให้ผลก่อนหมายถึงว่าตายแล้วยังไงก็ไม่ไปอบายถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่กำหนักถ้าตายตอนตายนี่ตัวนี้จะให้ผลก่อนแต่ถ้าเราไม่มีกำหนักเนี่ยกรรมที่ทําบ่อยๆ อ, อาจินตกรรมที่บอกให้นั่งติ๊กลองดูเนี่ยตัวนี้จะให้ผลนะมีกรรมแทรกซอนอีกตัวนหนึ่งเขาเรียกอาสันตกรรมคือกรรมแรงๆที่ทําตอนใกล้ตาย เป็นกําลังเจ็บหนักเลยแล้วเกิดอยากทําบุญขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือกําลังมาทําบุญจิตใจกําลังเป็นบุญรถปัม้มโครมก็ให้ยังเป็นบุญอยู่เนี่ยเป็นทั้งทั้งที่ปกติเป็นคนใจคอหวดหลายแต่ตอนนั้นใจเป็นบุญอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสานกรรมตัวนี้ให้ผลก่อนจำอีกชนิดนึกรจำกับพ่องกับแสก็เดี่ยเดี๋ยวไ เ, เล่าให้ฟังนะ งั้นตัวที่ให้ผลเราเนี่ยจะเป็นอาสันนกรรมกับอาจินนกรรมกรรมที่ทํำบ่อยๆกับทารุนแรงในขนาดที่เรารักสัตว์เนี่ยถ้าเราขนาดนั้นเกิดห่วงแทนเกิดผูกพันนะตายไปเราไม่ได้เปลี่ยนสัตว์ตัวนั้นเราไปเป็นเปรตเป็นเปรตที่คอยเป้าสาัตว์ตัวนั้นอีกทีเพราะว่าจิตมีโลภะแต่ถ้าเวลาเราจะตายแล้วเราเกิดนิมิต รักหมามากเกิดนิดๆเห็นนะเราก็เตรียมไปเลยนะตัวนี้เป็นอาสนกรรมมาให้ผลเราแล้วงั้นอย่าไปรักมือนมากนะจริงๆแล้วจิตใจของเราเนี่ยละเอียดอ่อนผ่อนไหวมากกุศลจิตนี่พร้อมจะพลิกให้เป็นอกุศลจิตเสมอนะยกตัวยอย่างอย่างถ้าเรามีลูกมีหลานนะเราห่วงใหญยเขามีความการุณากลัวเขาจะเป็นทุกข์ใครเตือนเขา เตือนนอนเตื น, นี้ไม่ฟังเลาจะโกรธความการุณาเนี่ยพร้อมจะพลิกเป็นโทธิ์สัเสมอความเมตตาหัรักสัตว์เมตตาสัตว์พร้อมที่จะพลิกเป็นรางคะเพราะงั้นจิตใจเนี่ยมันพร้อมที่จะพลิกเป็นอกุศลไนดะ้ก็ต้องระวังนิดนึงมีกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นกรรมที่ตอนกระทําเนี่ยองค์ประกอบไม่ครบไม่สมบูรณ์ เช่นขณนะเราจะไปทำทำทานสมมติบางคนนี้เกิดศรัทธารุนแรงมากเลยขายบ้านหรือไปกู้เงินมายี่สิบล้านจะไปทำทานถวายพระถวายวัดพอถวายเสร็จแล้วแหมอิมเอิบ ม, มากตอนถวายนี่คนเห็นเยอะแยะแบบภูมิใจอิ่มกลับบ้านล้วกลุ่มใจลนะกุศลนี่ไม่ถึงพร้อมในเวลาทั้งสามก่อนทำระหว่างทำหลังทำ เริ่มกับช่องกับแท่งนะโทรสั์เข้าแท่งพอโทรสัต์เข้าแท่งเนี่ยทากุศลตัวนี้จะเจอือด้วยอง ก, กุศลเวลาเราตายแล้วถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ให้ผลนะเราจะเกิดเป็นคนที่พิการเพราะว่าทํากุศลแล้วตรองตองกับแท่งสมมติว่าเราทำไปทําบุญยี่สิบล้านต่อมาเราห้กุศลนี้ส่งผลให้เราได้เกิดเป็นคนพิการอีกคนนึง เขาไม่ได้ ท, ทําสักบาทเลยเขาเห็นเราทำายี่สิบล้านเขาอนุโมทนาเขานึกถึงทีไรเขาอนุโมทนาทุกทีเลยคนนี้ขึ้นสวรรค์ได้เพราะงั้นต้องระมัดระวังนะทําบุญอย่าไปทําแบบคุ้มครั่งนะทําล้วเดือดร้อนปีหลงังอะไรเนีน้อย่าไปทําอย่างนั้นเราจะถูกหลอก บ, บอกว่าทําเยอะได้เยอะไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ข้าพเจ้าสอนเพราะข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ เราไม่พูดถึงกำนักต่างๆนะเราเอาหลักเอาเกณฑ์นะพระพุท ธ, ธเจ้าท่านสอนอย่างนี้กรรมที่ทำกับพร่องกับแ้งเนี่ยถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วมันจะให้ผลเ ร, เราต้องรู้จักการทำบุญตอนนี้เป็นตัวอะไร เห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วเห็นไหมไม่ยากเห็นไหมไม่ยากเลยในการที่เราจะรู้ตัวเองอ่ะบางคนบอกอู้ยากดูจิตทําไม่ได้การดูจิตยากเหลือเกินนี่มันเป็นวิธีเรียนที่ทรงไปตรงมาที่สุดเลยเราจะเป็นตัวอะไรเรารู้ลงหน้าเลยทําแบบอย่นลืมนะเอากระดาษเราใสหนึ่งนะนึกขึ้นได้แล้วใส่เลยแต่อย่างยุติธรรมนะ นั่นเราจะพบว่าจริงๆเราจะไปไหนไปไหนล่ะละ่ะตอนนี้ทราบไหมนะคิดนี่แหละก็คือความเผลอนั่นเองการที่เราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดท่านเรียกว่าบุคธั จ, จะความฟุ้งซ่านฟุน้งซ่านเป็นโมหะโมหะนำไปสู่ การเป็นสัตว์เดรัจฉานแนยุติธรรมมากเลยกรรมนี่ไม่ขอรับชั้นเป็นไงหนีกันไปเรียบเลยเห็นไหมจองอีกแล้วเห็นไหมไปลงชื่ออีกแล้วพอจะดูออกหรือยังเห็นไหมไม่ยาก เพราะฉะนั้นเรื่องการ เ, เจริญสติเนี่ยคือการที่เราเข้ารู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะสิ่งใดกําลังปรากฏขึ้นมาเช่นเราหลงไปแนะ้วมันปรากฏความหลงเรารู้ตัวขึ้นมาก็าเกิดความรู้ตัวนะนั้นมีหน้าที่รู้ทันปัจจุบันไปเรื่อยๆ อ, อะไรปรากฏในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่การ น, น้อมใจเข้าไปสู่ความนิ่งนิ่งว่างว่าง การน้อมใจเข้าไปนั้นได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาเป็นไงพี่จองอะไรอีกแล้วทราบไหมจองอย่างเก่าเลยเหรอพี่ จ, จองอย่างเก่าเหรอตรงนี้รู้สึกตัวเห็นรอตรงเนี้เป็นเลิอมนุษย์จุดเนี้คือจุดที่เลิอดของมนุษย์เลยนะจุดของมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ที่สุดแหละ สังเกตไหมจิตนี้มีศีลครบบริบูรณ์จิตเป็นปกติจิตเป็นธรรมดาจิตไม่ถูกกิเลสห่อหุอ้มนี่คือศีลจิตใจทั้งมั่นไ ม, ไ, ไม่ได้หลงไม่ได้ไหลไปนั่นคือสมาธิจิตใจรู้เท่าทันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหมดเลยนั่นคือตัวปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญารวมลงที่จุดเดียวกันในขณะจิตที่รู้ตัวนั่นแหะตอนนี้เผลอละอันนี้คิดละไหมหนีไปเพราะงั้นการหนีไปนี้ห้ามไม่ได้ นะเรามีหน้าที่หนีไปแล้วก็รู้ให้ไหวขึ้นไหวขึ้นเพราะจะหนีทั้งวันแนหะเพราะคนในโลกนี้พื้นฐานของจิตใจของตัดโลกทั้งหมดเลยก็คืออวิชชาคือโมหะนั่นเองคือความหลงนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเผลอตัวปัจะหลงพอหลงแล้วก็จะไปคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างคิดดีมีความสุขคิดร้ายมีความทุกข์นั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆ งั้นเราถ้าเรารู้สึกตัวไว้เราก็ไม่เกิดเห็นไหมเราเราไปแล้วเห็นไหมหนีไปแล้วอย่าฝืนอยากฝืนมันเป็นยังไงรู้ทันเฉยๆนะไม่แทรกแซงรู้ตามความเป็นจริงคําว่ารู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วจบแค่นั้นไม่แทรกแซงแล้วนวะ่าวเราพยายามกำกับให้เขาไหลลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กํากับนะ เรามีหน้าที่รู้ทันเท่านั้นมีหน้าที่รู้ทันไม่ไม่ไม่ใช่ไปบังคับไม่แก้ไขตรงนี้เราบางทีเข้าใจยากเพราะเราเคยชินที่จะแก้ไขเคยชินที่จะ บ, งบังคับการบังคับการแก้ไขสังเกตไม่อะไรที่อยู่เบื้องหลังปัญหาและทิฐีเท่านั้นเองเช่นเราอยากดี เราไม่อยากร้ายหรือเราเห็นว่าอารมณ์ที่ดีนี่เป็นของดีกิเลสเป็นของชั่วนี่คือทิฏฐิคือความเห็นเราไม่ได้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเสมอกันทั้งกุศลทั้งอกุศลนั้นเป็นธรรมะที่เสมอภาคกันคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเหมือนกันถ้าเมื่อไรจิตเรารู้ไม่ทันเราก็หลงเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลงกุศล น, นั้นก็ไปพบที่ดีหลงอกุศลไปพบ